คนทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเพื่อประโยชน์ใดเรานั้นก็ประโยชน์นั้นเราก็บรรลุแล้วโดยลำดับนั้นท่านถือว่าการออกบวชโดยชอบเนี่ยออกบวชเพื่ออรหั ต, ตผลเนี่ยนะราะฉะนั้นอรหั ต, ตผลเนี่ยท่านทําให้แจ้งแล้วสังโยชนุทุกอย่างท่านก็หมดแล้วสังโยชนีน่แปลว่าเครื่องผูกใช่ไหมเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรัดผูกอะไรมัดอะไรก็ผูกพบไปสู่พบเนี่ยนะ ผูกขันเอาไว้กับขันผูกธาตุให้ต่อเชื่อมไว้กับธาตุมันร้อยมันประสานมันสมานมันเชื่อมต่อจากพบสู่พบจากขันสู่ขันจากธาตุสู่ธาตุนะจากคติสู่คติจากวิญญาณทิติสู่วิญญาณทิติจากสัตวาะสู่สัตตวาะเนี่ยนะอันพวกเนี้ยมันร้อยมันรัดมันผูกมันมัดเนี่ยนะก็คิดดูนะว่า สังโยนมันทําไงมันผูกตาเอาไว้ให้ชอบสีอ่ะนะมันผูกหูเอาไว้ให้ฟังเสียงอ่ะมันผูกจมูกเอาไว้ให้ดมกลิ่นมันผูกลิ้นเอาไว้ให้ติดในรถเนี่ยนะผูกกายเอาไว้กับโพธาภะดูกันคืนเนี่ยเราจะผูกไปยังไงบ้างนะบอกอันนั้นอุ่นดีนะเนี่ยนะอันนั้นไอ้พริกสัหน่อยมันเมื่อยแล้วเนี่ยนะมันผูกเอาไว้หมดอันนีมันบอกหมดอันเสียมมันสอนมันมันผูกหมดอ่ะนะเราต้องคิดเรื่องนี้สิอ่างนั้นนะ คิดเรื่องโน้นสิมันก็กรเสี้ยมสอนให้เราคิดโน้นคิดนี่คิดไปเรื่อยนะมันผูกไว้กับทุกอารมณ์หมดอ่ะนะมันเรามันผูกตัญหามันเย็บเอาไว้มันไม่ได้เย็บไว้แค่กับอารมณ์อย่างเดียวมันเย็บแม้กระทั่งกรรมให้มีผลต่อไปเนี่ยนะเย็บกรรมให้มีผลเย็บจุติให้มีปฏิสนธิเนี่ยนะเย็บให้อยู่ในวัฏฏะอยู่อย่างนี้ต่อไปอันท่านก็บอกว่าสังโยชน์เราเนี่ยท่านตัดไปหมดแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ย าบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าควรชักสะพานเสียบอกไม่ใชายเสริมใยเหล็กไปเลยเหมือนกัเสริมใเเยนะ เ, มใหเหล็กก็เชื่อมประสานไม่เป็นอย่างดีนะไม่ให้มันหลุดง่ายๆล้วกอนกะ่นท่านก็บอกว่าท่านบวชเพื่อประโยชน์ใดท่านก็ทำกิจคืออรหัตผลเหล่านั้นเสร็จกิเลส ท, ทุกชนิดท่านตัดหมดแล้วพระพุทธเจ้าและพระสัตธรรมของพระองค์ไม่ได้บกพร่อง ยังดำรงอยู่ตราบใดการเวลาที่เรานิ่พานก็ดำรงอยู่ตราบนั้น น, นะคือพระพุทธเจ้ายังอยู่ใช่ไหพระองค์ยังมีพระชนอยู่คำสอนของพระองค์ที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิ่นพานก็เปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลานี่แหละเป็นเวลาที่เราจะปรินิพานานี่นะลูกเอ้ยอย่าได้เศร้าโศกถึงเราเล ย, ยนี่นะพระโกณทัญญ พระอนุนและพระนันทะเป็นต้นก็ยังอยู่พระราหุลพุทธชิโนรสก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขพวกเดรัตีก็หายโง่หายกระด้างแลว้วเนี่ย น, นะเรียกว่าคนเลวก็เกือบจะหมดอยู่แล้วว่างั้นเด้อพระอรหันต์ทั้งหลายก็เจริญรุ่งเรืองเป็นที่นับถือเนี่ยนะท่า น, น, น, นท่านเหล่านั้นก็มันสั่งซ้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม่ภาษศาสนาเนี่ยดำรงมั่นมากในตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงอะไร่างัน ลูกเอ้ยยศของพระผู้เป็นวงของพระเจ้าโกกาการาถูกยกย่องว่าเป็นผู้ย่ำยีมานการเวลาสำหรับนิพพานเนี่ยนะเป็นสมบัติของเราไม่ใช่หรือคือตอนนี้าศาสนารุ่งเรืองถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเวลาเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วที่จะปรินิพพานลูกเอ้ยความปรารถนาอันใดของเรามีมาแล้วเนี่ยนะมีมาเป็นเวลาชานานน ความปรารถนาอันนั้นก็สําเร็จแก่เราแล้วในวันนี้จริงๆแล้วนะการทําบุญการให้ทานปรารถนาเป็นรัตตัญญาเป็นเอตทะฆ่าเป็นต้นเนี่ยก็เพื่อความเป็นผ้าหันทีนี้เป็นผ้าหันเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะตัดการปฏิสนธิในภพทั้งปวงเนี่ยนะเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่จะลั่นกลองอนันทเพรียเหมัอนกลั่นกลองเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นกลองที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเหมือนน น้ำตาของท่านทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรเล่าเหมือนนมาเสียใจเพื่อประโยชน์อะไรเหาือนนถ้าท่านทั้งหลายจะมีความเอ็นดูทั้งมีความกตันอยู่ในเราไซาขอให้ท่านทุกคนจงทําความเพียรมั่นเพื่อความดํารงมั่นอยู่แห่งพระศาธรรมเถิดนะถ้าเราถ้าท่านรักเราจริงคิดถึงเราจริงเนี่ยนะนับถือเราจริงก็ขอให้ปฏิบัติให้พระาศาสนาดํารงมั่นอยู่นะ าศาสนาดํารงมั่นอยู่ที่ไหนศีลเนี่ยอยู่ที่ไหนสมาธิปัญญาดํารงมั่นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละถ้ากระตันอยู่ต่อเราจริงๆะนะก็เพียรมั่นให้ไตรสิกขาเนี่ยคือพระศัทธธรรมดารงมั่นอยู่ในจิตของท่านทั้งหลายเถิดว่ากั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเราทูลอ้อนวอนจึงได้ประทานบนรรพชาแก่สตรีทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราร่าเริงฉันใด ท่านทั้งหลายก็จงเจริญตรอยตามซึ่งความร่าเริงฉันนั้นเถิดคือท่านเนี่ยนะท่านเสียใจมากเลยนะที่ขออนุญาตและพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชใช่ไหมพอพระอนนท์เนี่ยไปขออนุญาตรับคัรุธรรมแปประการเนี่ยนะหลังจากนั้นท่านดีใจมากเลยนะที่ท่านจะที่ท่านจะได้บวชนะนะท่านดีใจมากเพราะฉะนั้นเราดีใจเพราะจะได้บวชฉันใดท่านก็ให้ดีใจฉันนั้นเถอะครั้นพระเถรีเนี่ยพร่ำสอนอุบาสิกาเหล่านั้นแล้ว เสด็จนำหน้าภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วก็กราบทูลดังนี้ว่าไปกราบพระพุทธเจ้านะกราบทูลว่าข้าแต่พระสุคตม่อมชั้นเป็นพระมารดาของพระองค์ะใช้คําว่าข้าแต่พระสุคตนะคือผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะเสด็จไปไหนคือเสด็จไปสู่ที่ดีคือเสด็จไปสู่อสังขตะธรรมคือพระนิพพาน พระองค์นี้เสด็จไปอย่างดีคือเสด็จไปด้วยอรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนับตั้งแต่โสดาปติมมัค จ, จ, จนถึงอะรหัตตมรรคเนี่ยนะพระองค์นี้เสด็จไปดีโดยที่ไม่ต้องย้อนกลับมาหากิเลสอีกต่อไปเสด็จไปดีไม่ไปแบบอัตตะกิละมัทานุโยกไม่ไปแบบการมัสุขาลิกานุโยคปฏิบัติตามมชิมาปฏิปทาอย่างเดียวไม่เป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิไม่เป็นสัจสตทิฏฐิแต่ประเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเนี่ยนะ พระองค์นั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเปี่ยมล้นอย่างเนี้ยไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆงนะไปเพื่ออนุเคราะห์ไปเพื่อสงเคราะห์ไปเพื่อแสดงธรรมไปเพื่อะช่วยให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นพ้นทุกข์นะนะบอกว่าข้าแต่พระสุคตคือพระองค์ผู้เสด็จไปดีอย่างนี้หม่อมชั้นเป็นพระมารดาของพระองค์อ่นะมันีพูดไม่ได้พูดด้วยมานะนะแต่พูดตามเป็นจริงเหมืงนั้นข้าแต่พระธีระเจ้า ทีระก็คือผู้มีปัญญาเนี่ยนะพระองค์นี้เป็นพระบิดาของหม่อมชันข้าแต่พระโล ก, กนาฏพระองค์เป็นผู้ประทานความสุขอันเกิดจากพระศัทธรรมให้แก่หม่อมชันเนี่ยนะก็ตอนแรกก็บอกว่าฉันเป็นแม่ใช่ไหมตอนหลังบอกว่าพระองค์เป็นพ่อพระองค์เป็นพ่ อ, อยังไงก็คือพ่อที่ให้เกิดเป็นพระอริยะเนี่ยนะข้ามจากโคตรปุตุชนมาเกิดนายเป็นพระอริยะ นี่เมื่อเป็นภระริยะอย่างนี้พระองค์ก็ยังประทานความสุขที่เกิดจากมรรคเกิดจากผลเกิดจากนิพพานให้แก่หม่อมชั้นข้าแต่พระโคดมหม่อมชั้นเป็นผู้อันพระองค์ทําให้เกิดแล้วเกิดเนี่ยนเกิดด้วยมรรคผลนิพพานเนี่ยนข้าแต่พระสุคตรูปประกายของพระองค์นี้อันหม่อมชั้นเนี่ยทำให้เจริญเติบโตธรรมกายอันหน่าเพลิดเพลินคือโลกุตระธรรมของหม่อมชั้น อันพระองค์ก็ทรงทําให้เจริญเติบโตแล้วพระองค์เนี่ยทำให้มรสีผลสีเกิดขึ้นเจริญเติบโตในจิตใจของหม่อมชันมาพระองค์อันหม่อมชันให้ดื่มน้ํานมอันระ ง, งับเสียได้ซึ่งความอยากชั่วครู่ใช่ไหมเดื่มน้ํานมก็หายหิวพักเดียวเนาะส่วนหม่อมชันพระองค์เนี่ยโปรดให้ดูดเดื่มน้ํานมคือธรรมะอันสงบอย่างยิ่งคือพระนิพพานแล้วข้าแต่พระมหามุนี อันนะั้คือผู้มีเมรุนยธรรมเนี่ยนะพระองค์ชื่อว่ามิได้ทรงเป็นหนี้หม่อมชั้นเพราะการรักษาไว้ซึ่งพันธะเนี่ยนะก็เรียกว่าพระองค์นี้ไม่ได้เป็นหนี้ใช่ไหมชดใช้ได้หมดแล้วคือใช้แม่ให้บรรลุมรคนิพพานเนี่ยนะตอบแทนคุณให้แม่ได้บรรลุมรคนิพพานถือว่าไม่เป็นหนี้ต่อกันบอกว่าการรักษาไว้ซึ่งพันธะอันสตรีทั้งหลายผู้อยากได้บุตรวอนขออยู่ ก็ย่อมจะได้บุตรเช่นนั้น น, นะถ้าใครที่ขอลูก น, นะก็ปรารถนาจะได้ลูกเช่นนี้แหละว่างั้นสตรีที่เป็นพระมารดาของพระนราธิ บ, บดีมีพระเจ้ามันธาตุราชเป็นต้นเชื่อว่าเป็นมารดาในห่วงมหนันโนบคือพบเนี่ยนะก็ถ้าเป็นแม่ของพระเจ้าจาักรพรรดิเป็นต้น น, นะนะก็ยังเป็นแม่ในวะตะัตฏะว่างั้นเถอะยังเป็นแม่อยู่ในในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละข้าแต่พระโอรส ม่ำชั้นผู้จมดิ่งอยู่ในห่วงมหันโนบคือพบอันพระองค์ให้ข้ามสาครคือพบแล้ว น, นะพากันจมอยู่ในขันอายตนาธาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยพาให้ออกจากขันอายตนาธาตแล้วก็บอกว่าพระนามว่ามเหสีพันปีหลวงมเมศศีพันปีหลวงก็คือแม่ของพระพระพราชานะสตรีทั้งหลายได้ง่ายพระนามว่าพระพุทธมารดาสตรีทั้งหลายได้ยากอย่างยิ่งเนี่ยนะ คือที่จะได้เป็นพุทธมารดาเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสตรีจะได้อย่างเนี้ยยากจริงๆเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระก็พระนามว่าพระพุทธมารดาหม่อมชั้นได้แล้วนะตอนนี้ได้ได้นะชื่อที่ได้ยากๆเนี่ยตอนนี้หม่อมชั้นได้แล้วนะความปรารถนาไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ของหม่อมชั้นนั้นทั้งหมดนะ่ะหม่อมชั้นได้บำเพ็ญแล้วกับพระองค์หม่อมชั้นปรารถนาเพื่อจะทิ้งร่างกายอันเนี้ยปรินิพาน เนี่ยนะก็คือที่พูดมาทั้งหมดก็จะขอลาตา ย, ยานะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ไม่ได้เพื่ออะไรอื่นหรอกข้าแต่พระมหาวีระผู้ทําที่สุดแห่งวัตทุกข์เป็นผู้นำเนี่ยนะขอพระองค์โปรดทรงอนุญาตแก่หม่อมชันเถิดก็คือขออนุญาตปรินีพ่านมางรับขอได้โปรดทรงเหยียดออกซึ่งพระยุคลบาตอันเกลื่อนกล่นไปด้วยลายจักและทงอันละเอียดอ่อนเหมือนกับดอกบัวเถิด หม่อมชั้นจะถวายบังคมพระยุคลบาทนั้นจะขอทําความรักเยี่ยงโอรสแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นําขอพระองค์เนี่ยโปรดทรงสแสดงพระวรกายทําพระสรีระที่สุกปลัง่งดังกองทองให้เป็นเหตุปรากฏหม่อมชั้นจะเข้าสู่ปรินิพานพระเจ้าค่าเนี่นนยยื่นมาหม่อมชั้นจะกราบกราบและจะขอลาปรินิพาน พระชินะพุทธเจ้าก็แสดงพระวรากายที่ประกอบไปด้วยมหาปริศลักษณะส2สบสองประการประดับไปด้วยพระรสมีเนี่ยนะพระรสมีสีหกสีเนี่ยนะอันงามเหมือนดวงอาทิตย์สอดส่องแสงอ่อนๆในายามสนธยากะพระมาตุดฉาเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เยียดเยียดออกกิงๆริงนะนะโ้ข้าท่า เราอยากเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีรมัศมีมีรังสียังไงก็ดูดวงอาทิตย์ตอนขึ้นนะมีรัศมีสองอยังไงนะกับตอนค่าอย่างหนึ่งนะที่สองแสงอะ่ะพระพุทธเจ้าก็มีรัศมีสาสองออกมาอย่างนั้นลําดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีได้สบพระเสียรลงแทบพื้นพระบาทอันเป็นพระอันเป็นประกายคล้ายดอกบัวบานมีพระรัศมีงามดังดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระนางก็ได้กราบทูลว่า หม่อมชั้นขอน้อมนมัสการพระผู้เป็นอาทิตย์วงจอมนอรชนผู้ทรงเป็นธงชัยแห่งอาทิตย์วงหม่อมชั้นมรณะครั้งสุดท้ายหม่อมชั้นจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกนะเรียกว่าตายครั้งนี้คือการตายครั้งสุดท้าย ด, ดถ้าเราทั้งหลายหม่อมชั้นจะขอตายเพื่อเกิดอีกอย่างี้นะ ตายเมื่อไหร่ก็วันเกิดตรงนั้นแหนลนะเนีเกิดกับปฏิสนจูติกับปฏิสนทีมันไต้กันของเราเนี่ยโอ้โหห่างกันมากกันนะเพราะฉะนั้นนับถือท่านกราบท่านบูชาท่านไว้เถอะเอางันข้าแต่พระองค์ผู้เลิศแห่งโลกธรรมดาสตรีทั้งหลายล้วนแต่ก่อโทษทุกอย่างแล้วก็พากันตายไปเนี่ยนะเกิดมาเพื่อก่อโทษเลยนะสตรีเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะ ถ้าโทษใดๆของหม่อมชันมีอยู่ก็ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมชันด้วยเถิดนะก็ขอโทษด้วยนะถ้าโทษใดๆที่มีอยู่นะเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็อย่างนี้แหละเหมือนกันมันก็ขอทุกขอโทษให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นถ้าโทษอันใดมีอยู่ก็ขอโทษด้วยนะเหมือนกันอันหนึ่งหม่อมชันได้ทูลซ้ําๆซักๆให้สตรีทั้งหลายได้บวชข่าแต่พระนาราสภะ ถ้าโทษของหม่อมฉันในข้อนี้มีอยู่ขอได้โปรดส่งอดโทษนั้นด้วยเถิดเนี่ยนะขอโทษ้วยนะที่แหมขอเลอเกอินขอซ้ำๆซากๆอสาบวชเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระส่งไว้ซึ่งการอดโทษภิกษุณีทั้งหลายอันหม่อมฉันสั่งสอนแล้วตามที่พระองค์ทรงอนุญาตถ้าในข้อนั้นมีการแนะนำยาก ขอได้โปรดส่งอดโทษข้อนั้นด้วยเถิดเนี่ยนะบางทีก็ว่ายากสอนอยากนำซ้ายไปขวาอย่างนี้เป็นล้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอเหตุผลเหล่านี้ก็ขอโทษด้วยนะฟังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณเนี่ยนะนางโคตบีเนี่ยประดับไปด้วยคุณยังไวิชาสามอภินญาหกวิโมกแปดเนี่ยนะปฏิสามพิทาสี่เป็นต้นเนี่ยพระท่านมีคุณมากานะสมบูรณ์ด้วยคุณอย่างอื่นอีกเป็นอันมากโทษที่จะเพ่งอดโทษ ยังจะมีอะไรในเมื่อบอกกล่าวเสียเมื่อท่านจะนิพพานตถาคตจะ ก, กล่าวอยะอะไรแก่ท่านให้มากไปเล่ามาเงั้นก็คือพระพุทธเจ้าจะไม่ว่าอะไรอนะก็แล้วแต่ท่านนะนะพิจารณาเอาพอเดี๋ยวไปบอกว่าอา้าวท่านจงอยู่เท่ากับสรรเสริญวัตตะท่านรีบตายเอากระสันเสริญความตายไปอีกองีนะนะมันก็ไม่ต้องว่าอะไรนะเมื่อภิกษสุสงฆ์ของตถาคตบริสุทธิ์ไม่บกพร่อง ท่านจะออกไปเสียจากโลกนี้ก็ควรเหมือนเพราะเห็นในเวลาที่ยังมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่อัสดงโคตแล้วรอยในพระจันทร์ก็จะออกไปฉะนั้นนะถ้าดวงอาทิตย์ล่วงลับไปนะดวงจันทร์ก็ขึ้นพิษุณีทั้งหลายนอกจากพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีก็พากันทำประทักษิณพระชินะพุทธเจ้าผู้เลิศพระองค์เหมือนหมูดาวที่ติดตาม ดวงจันทร์เวียนขวาภูเขาสินเนรุฉะนั้นพระพุทธเจ้าอยู่กลางครับภิกษุณีห้าร้อยก็เดินประทักษิณเนี่ยรอบเวียนขวาเนี่ยนะภิกษุณีเหล่านั้นก็หมอบลงแทบพระบาทแล้วยืนจ้องดูพระพักของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าจากสุขของหม่อมชั้นทั้งหลายไม่เคยอิ่มด้วยการเห็นพระองค์เนี่ยนะตานี้ไม่เคยเห็นไม่อิ่มที่จะเห็นอ่างนั้นนะ โสดของหม่อมชั้นทั้งหลายไม่เคยอิ่มด้วยภาสิตคือคําสอนของพระองค์จิตของหม่อมชั้นทั้งหลายดวงเดียวเท่านั้นที่อิ่มด้วยรสแห่งธรรมของพระองค์เนี่ยนะก็คืออิ่มด้วยวิมุติรสเป็นต้นเนี่ยนะข้าแต่พระผู้เป็นจอมนรชนเมื่อพระองค์บรรลืออยู่ในบริษัทกําจัดเสียซึ่งทิฏฐิและมานะพระองค์แสดงธรรมเพื่อกําจัดกิเลสเนี่ยนะชนเหล่าใดเห็นพระพักของพระองค์ ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเห็นไหโอสมัยนั้นใครที่เกิดทันเห็นพระพุทธเจ้านะมีบุญจริงๆเลยของเราเนี่ยตาไปทาอะไรไว้เนาะไม่ได้เห็นเลยเห็นได้พุทธรูปก็ยังดีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณชนเหล่าใดประนบน้อมพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งพระองคุรียาวมีพระนขาแดงงดงาม มีส้นพระบาทยาวแม่ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญใครที่ได้กราบเท้างามๆของพระพุทธเจ้านะเห็นเล็บด้วยเห็นนิ้วด้วยเห็นพระบาทจริงๆโอ้เป็นผู้มีบุญจริงๆที่ได้กราบจริงๆอะ น, นะพระหัน์ท่านได้กราบใกล้ชิดนะเขาบอกว่าผู้ที่กราบเท้าครั้งสุดท้ายคือพระมหากัะสปะเนี่ยนะพระบาทยื่นออกมาจากพระโลงเลยว่างั้นเถะเนี่ยนะออกจากโล่งเลยนะเพระท่านก็กราบอะ่ะก็โอ้มีบุญจริงๆเลยนะ ของเราก็พระธาตุก็ได้กราบพระธาตุก็ยังดีแบบมองในแง่ไหนเราก็เห็นเลยนะเราบุญน้อยกันขนาดไหนใช่เราบุญน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้ทําบุญต่างกันตรงไหนคุณกายจ้างบุญน้อยกับไม่ค่อยได้ทําบุญเนี่ยไ้ยต่างกันไหมจ้างไอ้ตอนไม่ต่างนะอยู่ใกล้ๆกันอนะนะอ๋อไปกราบที่ปรินิพานอ่ะนะอันนะ้ก็กราบปรินิพานก็เห็นแต่อิดอ่ะ เนี่ยถ้าไปอย่างนั้นได้นะท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราพบกันที่นิพพานนะมีไหมล่ะคําเหล่านี้เอาฮะมีไหมล่ะในเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยเดี๋ยวนะเราค่อยพบกันนะโอ้ยอย่างนั้นจะต้องไปลาอะไรกันมากมายใช่ไหมเดี๋ยวก็พบกันอีกแล้วเหมงอนกันนี่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะเขาพูดถึงว่าใครที่ได้กราบพระบาทงามๆไกลๆก็ชื่อว่าผู้มีบุญข้าแต่พระนโรดมนั่นนะนรั บวกอุดมเนี่ยนะนราก็คือชนทั้งหลายอุดมก็คือสูงสุดเนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่สุดยอดของคนอ่ะว่างั้นเน<ม>ี่ชนเหล่าใดได้สดับพระดํารัสของพระองค์อันไพเราะหน้าปลื้มใจกําจัดโทษเป็นประโยชน์เกือ้อกูลชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะก็ของเราก็พอจะได้ตรงนี้บ้างเนาะเนี่ยได้อะไรได้ได้อ่านพระไตรปิฎกได้ที่เป็นคําสอนของพระองค์ก็ชื่อว่าผู้มีบุญนะ ข้าแต่พระมหาวีระหม่ำชั้นเอาใจใส่บูชาพระบาทของพระองค์ข้ามพ้นทางกั n ดานคือสงสารได้ด้วยพระสุนทรกถาของพระองค์ผู้ทรงสิริจึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่พูดไปทั้งหมดก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะมีบุญตรงไหนบ้างอ่ะนะหนึ่งตาก็เห็นพระองค์สองหูก็ฟังเสียงของพระองค์สามใจก็มีวิมุตต์อ่ะนะ แล้วเวลาพระองค์แสดงธรรมก็เห็นหนะ้าพระองค์ได้กราบเท้างามๆของพระองค์ได้ฟังธรรมคตถาที่ไพเราะอนะเพราะฉะนั้นแหมทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยหม่อมฉั้นชื่อว่าผู้มีบุญลําดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีผู้มีวัดอันงามประกาศในหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วไหว้พระหุน่นพระอนุนและพระนันทะแล้วก็ได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าเนี่ยนะก็บเวลาลูกกันนะลูกเอ้ย แม่เบื่อนายร่างกายซึ่งเสมอด้วยสิ่งที่อยู่ของอสารพิษร่างกายเนี่ยนะเสมอด้วยที่อยู่ของอสรพิษเนี่ยนะจริงก็อสรพิษนั่นแหละนะที่อยู่ของอสารพิษคือปฐวีธาตุอาปโปธาตุเตโชธาตุเป็นที่พักของโรคที่พักของโรคอนะไล่ดูเธอตรงไหนไม่มีโรคอนะที่พักของโรคจริงๆนะเออโรคมันไม่ไปจับที่อื่นนะจับอยู่ในกายนี่แหละมั น, นเป็นเรือนร่างของทุกข เป็นที่โครจรแห่งชราและมรณะเอความแก่นี่ไม่ไม่จับเลยมีไหมไม่จับผมไม่จับขนไม่จับเล็บเนี่ยนะคำนวนว่าหนวดยังงอกเลยนะจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นงนั้นเพราะฉะนั้นเป็นที่โครจรของชราในที่สุดก็มรณะอาเกียร์ไปด้วยมนทินโทษต่างๆ น, น, างนี่นะมินอ่ะนะแปลว่าของเศร้ามองอ่ะนะของเศร้ามองต่างๆมันอยู่ในกายนี่แหละต้องอาศัยผู้อื่นปราศจากเรียวแรง ด้วยเหตุนั้นแม่จึงปรารถนาจะนิพพานเนี่ยนะลูกเอ้ยพ่อจงเข้าใจแม่เถิดพระนันทะและพระราหุนผู้น่ารักเป็นผู้ปราศจากความโศกไม่มีอาสวะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีปัญญามีความเพียรก็ได้คิดถึงธรรมดาว่าคือพระอรหันต์น่นะพระอรหันต์ท่านก็นมาคิดว่าโอ้หน้าติเตียนโลกโลกคือสังขารทั้งหลายเนี่ยนะ โลกหนึ่งคือถูกปัจจัยปรุงแต่งโลกสองคือนามรูปโลกสามเบทนาสมโลกสดํดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่โลกหขันห้าโลก6กตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกเจ็วิญญาณทิติ7โลก8โลกธรรม8โลก9ปราวินสัตววาเ9้าโลก10อายตนะ10โลก12องายตนะ12โลก18บท่าสิมันหน้าติจริงๆนะเพราะอะไรเพราะที่ปัจจัยปรุงแต่งปราศจากแก่นสารเปรียบเหมือนต้นกล้วย เช่นเดียวกับมายากลและพยับแดดนอกจากนี้ยังไม่มั่นคงเออนะไอ้โลกคือสังขารเหล่านี้เนี่ยมันถูกปัจจัยสร้างสรรค์ปรุงแต่งมาเนาะกลอกจริงๆก็เหมือนกับต้นกล้วยแล้วนะมันก็หลอกลวงนะเหมือนจริงอะนะมายากลเนี่ยนะเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันหลอกเหมือนกับว่าที่มาก็คนนั้นแหละอที่ไปก็คนนั้นแหละที่นั่งก็คนนั้นแหละจริงใช่ไหมไม่ใช่เอามันหลอกเราเหมือนจริงๆเลยนะ เหมือนอะนะเหมือนคนเดียวกันเลยนะตอนขามากับคนนั้นแหละตอนขาอยู่กับคนนั้นแหละตอนไปกับไอ้คนนั้นแหละเหมือนอ่ะมันหลอกจริงๆเลยนะอันก็บอกว่าเหมือนพยับแดดนะดูเหมือนจริงอะ่ะแต่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีความมั่นคงอ่ะนะเอาส่วนไหนพอจะมั่นมั่นได้บ้างอ่ะนะพอเอาฟันมั่นก็ถอนมาตั้งเยอะแล้วอะ่ะมาถูกถอนไปสี่ซี่แล้วไงนะหมอก็ถอนเป็นแสนซี่แล้วไงนนะ ทั้งถูกทอนทั้งเป็นผู้ถอนเนี่ยนะโอ้ยอย่าไม่เนีมั่นคงแข็งแรงอะไรหรอกพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพระมาตุจฉาคือพน้านางของพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าก็ต้องถึงมรณะขนาดผู้ที่เลี้ยงดูพระพุทธเจ้ายังต้องตายเหมือนกันซึ่งไม่เที่ยงเป็นสังฆ ธ, ธรรมอยู่ ทุกอย่างในที่ใดก็บอกว่าที่ใดเป็นสังคตะธรรมที่นั่นต้องไม่เที่ยงอะไรคือสังคตะธรรมอันนั้นไม่เที่ยงอันนะก็ครั้งนั้นท่านพระนนพุทธอนุชาซึ่งเป็นคนสนิทของพระชินทรพุทธเจ้ายังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ตอนนั้นา่านนนยังเป็นพระโสดาวันนะันนะท่านก็หลังน้ำตาร้องให้พระนนนเนี่ยร้องให้หลายครั้งนะเนี่ยพระโมกข์พระ โคตมีเถรีปริณิพานท่านก็ร้องให้ภาษาภาษาดีบุตรร้องให้เออปริณิพานเนี่ยนะท่านเนี่ยโอ้งงไปหมดเลยนะ<ม>เรียกว่าทรงพระไต่บิดอกเนนึกอะไรไม่ออกเลยนะงงไปหมดเลยเหมืนอนกัอทิศทั้งสี่ไม่ปรากฏนึกอะไรไม่ออกเลยนะโอยมึนงงไปหมดเลยตอนพระพุทธเจ้าปริณิพานก็ร้องให้เนี่ยนะตอนนัก็ขนาดเป็นพระโสดาบันนะะก็ยังหลั่งน้ําตาเหมือนกันนะ ท่านก็เลยหลังน้ำตาร้องให้คล่ำครวญอย่างน่าสงสารในที่นั้นว่าพระโคตมีเทรีเนี่ยตัดอยู่หลัดหลัดก็จะเสด็จปรปนิพพานไม่นานเลยเนยนะพูดกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่นานเนี่ยไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยหมดแน่ไม่มีอะไรเหลือเลยเนะี่ยแม้พระพุทธเจ้าก็คงเสด็จไปนิพพานแน่นอนท่านลองนึกกันนะขนาดแม่ยังตายเลอแล้วลูกจะไปเหลืออะไรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะไปเหลืออะไรเนี่ยนะ เปรียบเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้วเะนั้นนะของเราเนี่ยมันมันยังไงอ่ะมันดับตรงนี้มันก็สว่างที่อื่นใช่หมมอดตรงนี้ก็ลุกที่ใหม่นะแต่พระพุทธเจ้าม่เป็นอย่งงนีนะมอดแล้วหมอดเลยเหมือนกันพระโคตมีเถรีก็ได้ตัดกับท่านท่านนนทผู้มีสุตตะคือปริยัตอันล้ำลึกดังสาครนเอาใจใส่ในการอุปถักพระพุทธเจ้าซึ่งพร่ำลำพันอยู่ดังกล่าวมาว่า คือพระนนนท่านก็ร้องเราแล้วเราเล่าลนะว่าโอ้ยพานางเนี่ยเห็นหลัดหลัดก็จะนิพพานไม่นานเลยพระพุทธเจ้าก็จะนิพพานแน่เหมือนไฟหมดเชื้อนะก็ร้องคร่ํำรืออย่างนั้นแหละพานางก็เลยมากล่าวว่าลูกเอ้ยเมื่อการร่าเริงปรากฏขึ้นแล้วพ่อไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของแม่นะแปลว่าลูกไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของแม่การนิพพานของแม่ใกล้เข้ามาแล้วลูกเอ้ย พระาศาสดาลูกก็ได้ทูลเชิญแล้วจึงได้อนุญาตให้แม่บวชลูกเอ้ยลูกอย่าเสียใจไปเลยความยากลำบากของลูกมีผลก็บทใดอาจารย์ฝ่ายเดียรธีเก่าๆไม่เห็นบทนั้นเด็กหญิงซึ่งมีอายุเจดขวบก็ประจักษ์แจ้งแล้วอาจารย์เดียรธีคณาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยนะไม่เห็นนิพานอะ่ะแต่นางวิสาขาอายุ7็ดขวบเห็นนิพานเอาสิเพราะฉะนั้นก็ว่าเด็ก7ดขวบยังเห็นเลนั่นแหละ เนี่ยนะอาราลดาบดอุทกะดาบาดาบเห็นไหมล่ะนิพพานไม่เห็นแต่นางวิสาขาเห็นอ่ะนะโศภากะสัมมเนเ น, เนเนี่ยตั้งห้าครูเนี่ยท่านเหล่านั้นเห็นหมดอนะ่ะพ่อจงรักพระพุทธศาสนาเอาไว้เถิดเนี่ยนะให้รักษาพุทธศาสนาเอาไว้นะพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไตรสิกขาใช่ไหมรักษาไตรสิกขาคําสอนว่าด้วยไตรสิกขาเอาไว้นะแม่เห็นลูกครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายบุคคลใด ไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏแม่ก็จะไปในทิศนั้นนะลูกไปในทิศที่ว่าไม่เห็นกันอีกต่อไปเนี่ยนะในการบางคราวพระนายกผู้เลิศในโลกกำลังทรงแสดงธรรมอยู่แล้วก็ทรงไ อ, อ น, นะพุทธเจ้าแสดงธรรมไปก็แกแอมเนี่ยนะครั้งนั้นแม่เกิดสงสารกล่าววาจาถวายพระพรว่าตอนนั้นก็พุทธเจ้าไอก็สงสารพระพุทธเจ้านะก็เลยให้พรกล่าววา่าข้าแต่พระมหาวีระ ขอพระองค์จงทรงมีพระชนอยู่นานๆข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์เนี่ยจงทรงพระชนอยู่ตลอดกับเพื่อความเกื่อกูลและประโยชน์แก่โลกทั้งปวงเถิดขออย่าให้พระองค์พระชาาและปรินิพานเลยเหมืงนันนก็ให้พรเลยนะเห็นได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าอายก็ให้พรใหญ่เลยนะพระพุทธเจ้าก็พระองค์นั้นก็ได้ตัดกับแม่ผู้กราบทูลเช่นนั้นอย่างนี้ว่า ดูก่อนโคตมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่บุคคลจะพึงไหวเหมือนอย่างที่เธอพูดอยู่ดอกเขาไม่ได้ไหว้กันอย่างนี้หรอกเหมือนกันแม่ก็ได้ทูลถามว่าก็แลด้วยประการไรเล่าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอันบุคคลไม่พึงไหว้พระองค์อันหม่อมฉันทูลถามแล้วโปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า เธอจงดูพระสาวกทั้งหลายผู้ปรารบความเพียรมีตนส่งไปนิพพานเนี่ยนะคือมีจิตมุ่งนิพพานเนี่ยมีความบากบัน่นมั่นคงเป็นนิดพร้อมเพียงกันนี้เป็นการไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนะนะถ้าจะไหว้จริงๆก็คือปฏิบัติภาพเพียรมุ่งสู่พระนิพพานนี่แหละจะเป็นการไหว้พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง